2. ประวัติวาน 2. นิโรธวาน 1. ปัจจุปันวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคล 79. อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดกำลังดับวจีสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนะในพังค ข, ขณาขแห่งลมอัศาส า, ศาปัสาส า, ศ า, ศาซึ่งเม้นจากวิตตกระวิจรณ์ กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่วจีสังขารไม่ใช่กำลังดับในพังคขฆาณาแห่งลมอาศะปัดอาศะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัตอยู่ในกามาปจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและวัจีสังขารก็กำลังดับปฏิโรมปุจฉาวัจีสังขารของบุคคลใดกำลังดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจติชนา ในพังคขณะแห่งบิดตกรบิจาร์นจึงเ้นจากโรมัสสาสะปัสสาสะวัจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่กายสังขารไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งโรมัสสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิวัจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและกายสังขารก็กำลังดับอนุลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดกำลังดับ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 จิตตสังขารของบุคคลล่านั้นกำลังดับและกายสังขารก็กำลังดับ80อนุโลมปุชชาเบจีสังขารของบุคคลใดกำลังดับจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาจิตตสังขารของบุคคลใดกำลังดับเบอจีสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาะในพังคขณะแห่งจิตตึงเว้นจากวิตตกระวิจารณ์ จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่วัจจีทั้งขาไม่ใช่กําลังดับในพังคขณะแห่งบิตกะวิจารณจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่วัจจีทั้งขาก็กําลังดับอนุโลมโอกาส81อนุโลมปุชชากายทั้งขาในภูมิใดกําลังดับประจีทั้งขาในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิสัชนาในทุติยชาและตติยชาในชานั้นกายสังขากําลังดับ แต่วจีสังขารไม่ใช่กําลังดับและอนุโลมปุกคโรกาต์แอนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับปัจจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมและในมุเรียบคําที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดก็ดีของบุคคลใดในภูมิใดก็ดีเหมือนกันปัจจีนิกับบุคคล83 อนุโลมปุชชากายทั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับวัจจีทั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังค้ขณะแห่งวิตตกระวิจจานซึ่งเว้นจากโลมัสสาสะปัสสาสะกายทั้งขานของบุคคลนั้นไม่ใช่กําลังดับแต่วจีทั้งขานไม่ใช่ไม่กําลังดับในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตที่ไม่มีทั้งวิตตกระวิจจานซึ่งเว้นจากโลมัสสาสะปัสสาสะ บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญาตตะูมิกายทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและวจีทั้งขานก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาวาจีทั้งขานของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับกายสังขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาะในพันค้ขนาแห่งลงมอสสาสะปัสสาสะซึ่งเป็นจากวิตรกรวิจารณ วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่กายทั้งขาไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังขคณะแห่งจิตที่ไม่มีทั้งวิตกกระวิจารณ์ซึ่งเว้นจากโรมสสัอาศะปัสสะของบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญสัตต ภ, ภูมิวจีสัง ข, ขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและกายทั้งขาก็ไม่ใช่กำลังดับอนุโลมปุจฉา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 จิตแต่สังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับประจีตั้งขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมพิจัชนาะใช่ปัจจณีกับโอกาส 8.5 อนุโลมปุจฉากายทั้งขาในปมิใดไม่ใช่กำลังดับละปัจจณีกับปุขคโลกาแปสิบอนุโลมปุจฉากายทั้งขาของบุคคลใดในปมิใดไม่ใช่กำลังดับ วจีทั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งบิตกระวิจารณ์ซึ่งเว้นจากรมัอาสะปัสสะะกายสังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่วัจีทั้งขานไม่ใช่ไม่กําลังดับในอุปาทข้าคณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังขคณาแห่งจิตที่ไม่มีทั้งบิดตกระวิจารณ์ซึ่งเว้นจากกรมอาศะปัสสะ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 ของบุคคลใดในภูมิใดไม่พึงเพิ่มคําว่าบุคคลผู้เข้าหนีโรธสมาบัติ 2. องอติตะวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล 8.7 อนุโลมปุต ช, ชากายสังขารของบุคคลใดเคยดับเวจีสังขารของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุต ช, ชาเวจีสังขารของบุคคลใดเคยดับ และวิจารนาะใช่ในมุงเล็บท่านจำแนกอตีตปุตฉาในอุปาทวารเป็นคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดทั้งอนุรมและปัจจนีกะฉันใดแม้ในนิโรธทวารก็พึงจำแนกฉันนั้นไม่มีข้อแตกต่างกัน 3. อนาคตวารว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคต อนุโลมบุคคล 8.8 อนุโลมปุจฉากายทั้งขางของบุคคลใดจกดับวจีทั้งขางของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวจีสังขางของบุคคลใดจกดับกายทั้งขางของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาในอุ ป, ปาทขคณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิ ปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัตอยู่ในกามาวาจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในเเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวาจรภูมิอรูปาวาจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวาจรภูมิอรูปาวาจรภูมิแล้วปรินิพานกำลังจุติวัจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่กายสังขารไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้ประจีทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นจักดับประกายทั้งขานก็จักดับอนุโลมปุจฉากายทั้งขานของบุคคลใดจักดับจิตแตสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิตัชฉนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตแตสังขารของบุคคลใดจักดับกายทั้งขานของบุคบคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิตัชนา ในอปุปาทขศนาแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุ้คลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในมงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมพวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานกำลังจุติจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจากดับ แต่กายทั้งขานไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จิตแต่ังขานของบุคคลเหล่าน nah> ั้นจักดับและกายทั้งขานก็จักดับ 8.9 อนุโลมปุจฉาว่าจีสังขานของบุคคลใดจักดับจิตแต่ังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตแต่ังขารของบุคคลใดจักดับว่าจีสังขานของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนา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 กายสังขารในภูมิใดจักดับละอนุโลมปุคโโลกา91อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจติชนาะบุคคลผู้เข้าทุติยชาและตะติยชากายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในชานนั้นจักดับแต่ในวจีสังขารไม่ใช่จักดับ บุคคลผู้เขับบัตรธรรมชาตและบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิกายทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นแจกดับในวจีทั้งขานก็แจกดับปฏิโลมปุจฉาวจีทั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดายจกดับกายทั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็แจกดับใช่ไหมวิตัชชาในอุปาทขศนาแห่งปัจจิมจจิตของบุคคลผู้บัตรอยู่ในการมาวจรภูมิ ปัจจิมจจิตของบุคคลผู้บัตอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในมือเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัตอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิวัจจีสังขารของบุคคลเหล่ญญานั้นในภูมินั้นจักะดับแต่กายสังขารไม่ใช่จักะดับบุคคลผูญญ้เข้าปฐมฌานแต่บุคคลนอกนีญญ้ผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิ วจีทังขางของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและกายทั้งขางก็จักดับอนุโลมปุจฉากายทั้งขางของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจิตต์ั้งขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตต์ังขางของบุคคลใดในภูมิใดจักดับกายทั้งขางของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนา ในอุปาทขศนาแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าจะตุทะฌานและบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่กายสังขารไม่ใช่จักดับบุคคล ผู้เข้าปรมฌานทุติยฌานตติยฌานและบุคคลนอกนี้ผู้บัตยู่ในกามาวจรภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและกายทั้งขารก็จักดับ92อนุโลมปุจฉาว่าจิตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา จิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจกดับว่าจีตทั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิทาชนาะในอุปาทัศนาแห่งปัจฉิมจิตจที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าทุติยชาติตติยชาตและจตุทชานจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับ แต่วิจจีสังขารไม่ใช่จักดับบุคคลผู้เข้าปฐมฌานบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิและบุคคลนอกนี้ผู้อบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิจิตต์ทังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและวัจจีทั้งขานก็จักดับปัจจณีกับบุคคล93อนุโลมปุจฉา กายทั้งขางของบุคคลใดไม่ใช่จักดับปัจจีทั้งขางของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัตชนาะในอุปาทัศนาแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บาดอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในองเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใด จักอุบัตในรูปราวจรภูมิอรูปรารจรภูมิแล้วปรินิพานกำลังจุติกายทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่วจีทั้งขานไม่ใช่จักไม่ดับในพัง้าณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งมิตกระวิจารบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งมิตกระวิจารปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งมิตกระวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใจ ในเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแวะวจีสังขารก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุชชาวจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมมิตัชนาใช่อนุโลมปุชชากายสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิสัชนา ในอุปาทขศนาแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัตอยู่ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้บัตอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในมรเลปในลำดับแพ่งจิตนั้นปัจฉิมภวิกร บ, บุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจะกอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานกำลังจุติ กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากดับแต่จิตตสังขารไม่ใช่จากไม่ดับในพังคขาณะแห่งปัจิมจิตกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากดับและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จากดับปฏิรมปุชฌาจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จากดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิตชัชชาใช่94อนุรมปุชฌา ว่าจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จากดับจิตตสังขารของบุคคลนั้นก e ็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทัศนาแห่งปัจฉิมจิตที่ไม่มีเทิงมิตรกรวิจารปัจฉิมจิตที่ไม่มีเทิงมิตรกรวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นประจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากดับแต่จิตตสังขารไม่ใช่จากไม่ดับในพังคขศนาแห่งปัจฉิมจิต ปจีตั้งขาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากดับถ้าจิตตั้งขานก็ไม่ใช่จากดับปฏิรมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จากดับปจจีตั้งขานของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปัจจณีกโอกาส95อนุรมปุจฉากายตั้งขานในภูมิใดไม่ใช่จากดับและปัจจณีกปุคขคโลกาตเก อนุโลมปุชชากายทั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับปจีทั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิษั์ชนาในรุปารขณะแห่งปจิมจิตของบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิปัจิมจิตของบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ กายทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับแต่วจีทั้งขานไม่ใช่จากไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจชิมจิตที่มีทั้งมิตกและวิจาร ệc. บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัชิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร ệc. ปัจชิมจิ il ตที่ไม่มีทั้งมิงตกและวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าจะตุทะฌานและบุคคลผู้บาดอยู่ในอาศันยสัตตภูมิ กายทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับวัจีทั้งขานก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาวัจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้เข้าทุติยชาและตติยชาวัจีทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่กายทั้งขานไม่ใช่จักไม่ดับ ในพังคข้าขนาดแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใจในมุเลปในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าจะตุทะฌานและบุคคลผู้บัดอยู่ในฐัญญตัตภูมิวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักรดับและกายทั้ง ข, งขารก็ไม่ใช่จักรดับ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 ได้บ ah mm ุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับแต่จิตตสังขารไม่ใช่จากไม่ดับในพังค์ข้าขนาแหกปัจจิมจิตบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญสัตตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับแล้วจิตตสังขารก็ไม่ใช่จากดับปฏิโลมปุชชา จิตต์สังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่97อนุโลมปุจฉาว่าจิสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจิตต์สังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทัศนาแห่งปัจจิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกรละวิจารณ์ ปชิมจิ ต, ตที่ไม่มีทั้งวิตรกกและวิจารณจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในมูลเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าทุติยชาติตติยชาตและจตุติยชานวั จ, จีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูินั้นไม่ใช่จากดับแต่จิตตสังขารไม่ใช่จากไม่ดับในพังฆขณาแห่งปัจชมิมจิตบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญาตตูมิวัจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จากดับ ปฏิรมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตนะัชชาใช่ 4. ีปัจจุบันนาตีตะวนันว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล98อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดกําลังดับ วัจีทั้งขางของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาวัจีทั้งขางของบุคคลใดเคยดับกายทั้งขางของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาะในอุปาทัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังขคณาแห่งจิตซึต่งเป็นจากอารมณ์อาศะสะปัตสาส ะ, สาสะบุคคลผู้ข้อนิโรดสะมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในสัญญะจ ต, ตภูมิ วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่กายทั้งขานไม่ใช่กำลังดับในพังคขณาแห่งลมัสสาสปัสสาสะวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและกายทั้งขานก็กำลังดับอนุโลมปุจฉากายทั้งขานของบุคคลใดกำลังดับจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดเคยดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังดับ ใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทขคณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคคณาแห่งจิตซึต่งเว้นจากโลมาสาสะปัดสาสะบุคคลผู้เข้านิโรดสมาบัตและบุคคลผู้ปัดอยู่ในอสัญญาตตะูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่กายทั้งขาไม่ใช่กําลังดับในพังคขณาแห่งโลมาสาสะปัดสาสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและกายทั้งขาก็กําลังดับเก้าสบเ อนุโลมปุชชาวัาจีสังขารของบุคคลใดกําลังดับจิตแต่สังขารของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจติชนาใช่ปฏิโรมปุชชาจิตตสังขารของบุคคลใดเคยดับปัะจีสังขารของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจติชนาในอุปาทัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังขัตนาแห่งจิตตึงเว้นจากวิตกและวิจารณ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 อนุลมปุคโลกาส1 0ึ 101. อ่อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับวัจีทั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้เข้าทุติยชาและตะติยชานในพังค ข, ขณะแห่งลงมาัสาสะปัสสะกายทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่วัจีทั้งขานไม่เคยดับ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 ในอุปาทัคณะแห่งลงมัสสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัตรอยู่ในกา마วจรภูมิในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมัสสาสะปัสสาสะของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิปัะจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่กายสังขารไม่ใช่กําลังดับ ในพังคาขนาแห่งลมภาษาศาสตร์ภาษาศาสตของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิวัจีทั้งขางของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและกายทั้งขางก็กําลังดับอนุโลมปุจฉากายทั้งขางของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับ กายสังขารของบุคคลนั้นในภู่มนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิตติชนาในอุปาทัคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคัคณะแห่งจิตเป็นจากลมอาศะปัสสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่กายสังขารไม่ใช่กำลังดับในพันทัคณะแห่งลมอาสาปัสสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและกายสังขารก็กำลังดับ หนึ 102. อนุโลมปุจฉาวัจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับจิตสนนนนจตสังขารของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดในปมิใดเคยดับวัจีสังขารของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในพังค้ขณะแห่งจิตตึงเว้นจากวิตตกระวิจาร์จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่วัจจีสังขารไม่ใช่กําลังดับในพังคขณะแห่งวิตตกระวิจาร์จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและวัจจีสังขารก็กําลังดับปัจจีนีกับบุคคล103อยสามอนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับ วจีทั้งขางของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาวัจีทังขางของบุคคลใดไม่เคยดับกายสั้งขางของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กัลังดับมีไหมวิจัดชนาไม่มีอนุโลมปุจฉากายทั้งขางของบุคคลใดไม่ใช่กัลังดับจิตต์ังขางของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาเคยดับ ปฏิรมปุจฉาจิตแตสังขารของบุคคลใดไม่เคยดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่มีไหมวิจัตชนาไม่มีหนึ่งร อ, อนุรมปุจฉาว่าจีตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตแตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัตชนาเคยดับปฏิรมปุจฉา จิตแต่ถังขาของบุคคลใดไม่เคยดับบัจจีตังขาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปัจจณีกับโอกาส105อนุโลมปุจฉากายตังขาในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับและปัจจณีกับปุขคโลกาฏหนึอนุโลมปุจฉากายตังขาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับ วั จ, จีทั้งขาดของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทขศนาแห่งล ม, มัาศาสะปัสสะสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิในพังขัณ า, ขาแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอาศาสะปัสสะสะของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมนั้นไม่ใช่กำลังดับแต่วจีสังขารมิใช่ไม่เคยดับในอุปาทขณะแห่งโลมาสาสาปัสสาตะของบุคคลผู้เข้าทุติยชาตและตติยชาตในพังค ข, ขณะแห่งจิตซึงเว้นจากโลมาสาสาปัสสาสะของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละบุคคลผู้เข้าจะตุติยชาตเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่ บุคคลผู้บาดอยู่ในฐานยะสัตตภูมิกายทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและวจีทั้งขานก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉาวจีทั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับกายทั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมพิจัชนาในพังคขนาแห่งโลมาสาสาปัตัาตะของบุคคลผู้เข้าทุติยชาและตติยชาวจีทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับ แต่กายทั้งขาไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขศนาแห่งลงมอาสะสะปัสสะสะของบุคคลผู้เข้าทุติยชาญและตะติยาชาญในพังขัต刹那แห่งจิตตึงเว้นจากลมอ า, าศาสะปัสสะสะของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละบุคคลผู้เข้าจตุตชาญเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัดอยู่ในอาจญรยทัตตภูมิ วจีทั้งขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและกายทั้งขานก็ไม่ใช่กำลังดับอนุโลมปุจฉากายทั้งขานของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับจิตตั้งขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัตชนะในอุปาทขณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคคณะแห่งจิตตึงเว้นจากลมอาศะสัปปะสัตกายทังขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับ แต่จิตตสังขารไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาตัตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและจิตตสังขารก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่10ึเจ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 แต่บุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิวัจีทั้งขานของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและจิตรต์ังขารก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุชชาจิตต์ังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับวจีสั้งขานของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่